บันทึกความจําวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิห้าไปขอบันทึกความจําเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้ารอสิห้าทั้งนี้เพราะว่าวันนั้นป่วยมากจะต้องไปสั่งการให้ในช่างธรรมดบพระยืนแปดสอ ซึ่งขวัญหรืออริยาเงินบริจาครั์มาหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเงินหนึ่งแนบาทของเธอที่ส่งมาให้ก็เป็นเงินมากแต่ว่างานที่สั่งทำถึงล้านบาทอันนี้ก็เป็นของธรรมดาที่ต้องใช้เงินส่วนอื่นเพ่สม เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาวันนี้ก็จะขอทบทวนเรื่องความเป็นมาขอ้อที่ 19, สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสสิห้าหลังจากกลับไปดูงานแล้วไปสั่งงานเสร็จก็ลกลับมานอนพักรู้สึกว่างงมากแล้วก็เหนื่อยมากมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้คงจะทรงตัวไม่นาน มันอาจจะตายาไปภอยนปในไม่ช้าก็ได้ยังได้รวบรวมกำลังใจขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จประจำใจคือพระพุทธเจ้าที่พระที่วิมานที่บนนิพพานคำว่านิพพานในข้ายว่าสู์ก็เป็นเรื่องของท่านถ้าจะมามีความรู้สึกว่าไม่สูญในความจริงเรื่องของพุทธศาสนา ถ้าเราจะอ่ากนกระเพียงนังสืออย่างเดียวก็คงไม่เข้าถึงพุทธศาสนาแน่นอนนักก็ความเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันทางที่ดีก็ควรจะค้นคว้าด้วยวิธีปฏิบัติแนวปฏิบัติมีอะไรบ้างมีสี่อย่างคือหนึ่งสุขวิบัสโกสองเตวิโชสามชราปิโย 4, สี่เปริัมิทัะปปโต ถ้าเราทําได้ครบทุกอย่างจะไม่สงสัยในพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชนั้นในเมื่อไปถึงนิพพานแล้วไปนั่งที่ที่เคยนั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่หลายองค์ที่ถือเขาว่าศูนย์กนนะความจริงไม่ศูนย์ไปถึงกาบธรรมชาติการท่านย่านบอกว่าคุณ เทวดานางฟ้าผอมโพคอยอยู่ที่เทวสภาเต็มหมดทําไมไม่ไปแวะที่ใ น, นก่อนกลับไปก่อนกลับไปที่เทวสภาก่อนที่เรีกราบท่านธรรมาทิเทวสภาก็ถึงเห็นท่านผู้มีคุณคือบิดามันดาเดิมครูบาอาจารย์ท่ญาติผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณทั้งหลายก็รวมความอาถรรปัจจุบัน ก็ถือว่าเทวดานางฟ้าพรหมทั้งหมดมีคุณทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่างานทุกอย่างท่านช่วยช่วยงานทุกประเทศที่ทําความสําเร็จในบรดาเนี้ก็เพราะอาศัยหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระบาเจพระเจ้าสามพระ ร, า ห, า ร, 4, ระหันสี่เทวดานางฟ้าพรหมแล้วก็ห้า ท่านย่าคุณนาส่งลูกแจวมาให้เจ้าจักรพรรดิมานที่เจวป้าเจ้าเพชรจักรพรรดิก็ตามตามใจจะเรียกอันนี้หลวงปู่ทุ่มให้ไว้ก่อนแต่ว่าองเล็กให้อันนไปอันนบให้สันไปใช้ใช้ในทางนี้ผิดกลับไปที่เดิมกลัมาท่านแม่นํากลับมาให้บอกว่าองค์นี้เป็นอง์เล็กเป็นองน้อง จะมีไว้ทั้งสององค์งานทุกอย่างจะสมาเร็จหมดตามความประสงค์แต่แก้วจะกักร พ, พรรดินีรู้สึกว่าท่านบูชุ่มถวายพระบาทสมนด็จพระเ้า อ, อ, อ, อยูหัองค์หนึ่งองค์ใหญ่งั้นเมื่อกลาบท่านเสร็จขอบคุณท่านเสร็จก็บอกว่าตอนนี้ไปอัตมาจะปนิบัาน มีท่านผู้ใดบ้างจะปฏิบัานอาตมาก็เชิญไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิมานหลังใหญ่ที่พระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้ทุกท่านไปพักทุกท่านจะไปพักได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีอาตมานำไปถ้าการในสองบริเวณทั้งหมดพอเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเดินเล่นตามสบายหลังจากนั้นมีิมานของเขาใครวิมานของเขามัน นันคือตางองค์ต่างก็มีมานอนนิพพานอยู่แล้วทุกท่านจะไปใหม่ของท่านก็ได้ไปเที่ยวจะไปเที่ยวดีหมายของอาตมาก็ได้ เ, เมื่อพูดจบก็ลุกจากที่เมื่อลุกจากที่แล้วเทวดาพรหมนางฟ้าทั้งหมดก็ตามมามาถึงก็นั่งที่เดิมน้อมสักการพระพุทธเจ้าแล้วเทวดานางฟ้าพรหมทั้งหมด ก็ดั้งที่มีมันหลังใหญ่ความจริงเทวสภานในใหญ่มากเทวะแ น, น่นขนาดที่มันหลังนี้รู้สึกว่าจะเล็กไปหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งอัศรจรรย์ไม่ว่าเทวดานางฟ้าระพมทั้งขุดไปก็ปรากฏว่มันหลังที่เห็นมันเลกว่าเล็กไปหน่อยขับใหญ่ขึ้นมาเต็มพอดีสำหรับเทวดานางฟ้าระพมนั่ง สำหรับวิมานหลังอาติมานั่งก็งมีญาติผูใหญ่ใกล้คิดนั่งอยู่เต็มก็้ดีหันไปทางขวาเจอโยมทั้งสองก็โยมผู้หญิงและโยมผู้ชายชาติจุบันปกติท่านอยู่ชั้นยามาท่านนั่งอยู่ด้านขวายังถามโยมผู้ชายว่าโยมขึ้นมาบนสวรรค์ได้ยังไงถ้าโยมมีบาปมาก พราใส่ความรักลูกเป็นห่วงลูกเลยว่าลูกจะอดก็ยเพราะอย่างยิ่งสินสี่ข้อโยงภพทวนจะสินข้อที่หนึ่งคือปานาทิบาทยมจับสัตว์น้ำมาเพื่อให้ลูกกินคือปลามันก็บาปถ้ายมทำไมจะได้มาสวรรค์ได้โยมท่านก็บอกว่าเมื่อขอหาณาธิตอนหนุนม่ม ผมทําอย่างนั่นจริงแล้วก็ไม่ค่อยไปเข้าวัดการปฏิบัติในศีลในธรรม ท, ทุกอย่างครบถ้วนเว้นแต่เว้นแตสปานาทิบัติเล่าไม่กินผิ่นไม่ฉันบุรี่ไม่สูบทุกอย่างครบถ้วนแต่ถ้าว่าในตอนแก่ลงมาคุณอยู่ที่วัดบานงโคก็ดีคุณอยู่ที่กรุงเทพก็ดี ฉันมีความห่วงคุณเป็นมากทุกวันทุกคืนนึกถึงแต่คุณองคเดียวว่าอยู่ไกลจากพี่จากนอนจะมีความลำบากนึกถึงอย่างนี้จน ถ, ถ้าเวลาป่วยยิ่งป่วยก็ยิย่งนึกถึงมากขึ้นท่าไสยนึกถึงคุณอย่างนี้เป็นอารมณ์อย่างอย่างเดียวโดยเฉพาะทีบรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนี้เขาเรียกสังขารนสติ คืนนึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์พอตายจากความเป็นคนโยมก็ขึ้นมาจึงเป็นเทวดาชั้นยามาแต่ตามมติเป็นมนุษย์โยมก็ชอบบูชาพระสวดมนต์อยู่เสมอวัดจะไม่ค่อยได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ที่บ้านทำถ้าถามว่าโยมบนที่พ่านนโยมมีวิมานได้อย่าง โยมก็แต่ว่ามีทขี้มือพระท่านด้านขวาที่มายเขาโยมตั้งด้านขวาทีมายเขาคุณทางด้านโน้นก็เหลียวไปดูตามมือของท่านเห็นที่มายของท่านตั้งสวยๆงดงามมากยังได้ถามโยมผู้หญิงว่าโยมในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นนักบุญชอบบูชาพระชอบไปวัดชอบฟังเทศไม่ขายเกือบจะ ท, ทุกวันพระ เรื่องเกิดก็บุญเกิดขึ้นอย่างใดอย่าตามเป็นสนใจทุกอย่างเวลานี้โยมอยู่ชั้นไหนโยมหญิง ก, ก็ตอบว่าท่านอยู่ชั้นยามาไหมกันแต่ว่าฉันชอบบูชา พ, พระทุกๆวันจะให้นางฟ้าก็ดีฉันก็ดีจะช่วยกันเก็บดอกไม้ายในวิมานเป็นดอกไม้สีขาวชั้นยามาในสีขาวหมด แล้วก็นำมาบูชาพระถามว่าดอกไม้ที่เก็บมาได้แล้วถ้าเหลือจะการบูชาพระมันไม่เหี่ยวไม่แห้งหรือถ้าบอกมันไม่เหี่ยวไม่แห้งถ้าเราไม่ต้องการดอกไมกก้ก็หายไปไม่ต้องทิ้งถ้าเราก็ไปเก็บมาใหม่ทำอย่างนี้ทุกวันเพราถามว่าในเมื่อโยมเป็นนักบุญแบบนี้แล้วก็เวลานี้นมีมารมณิพนธ์มีที่ย่าง ท่านตอบว่าอย่างก็แปลกใจว่าโยมผู้ชายในความจริงเสียเปรียบโยมผู้หญิงเพราะทําปานาทิบาทมากถ้าโยมผู้หญิงนี่ไม่ควรจะทําปาณนาทิบาทบาปไม่ควรจะทาทำแต่บุญทําไมจึงไม่มีวิมานวรรนะผ่านพอถามท่านว่าพระพุทธเจ้าเทศทางหลายครั้งนายโยมจําไม่ได้หรือก็บอกว่าจำเหมือนกันแต่มันเผลินความสุข ไม่เคยคิดว่าจะจุจติไม่เคยคิดว่าจะตาจยจะทิพันนจะวิมานนี้นี่ตกคิดเป็นว่ามีอยู่ความประมาทมากเจ้าท่านบอกเท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โยมออกม า, า, านัานออน่งข้างหน้าให้เงาไปนั่งข้างหน้าแล้วก็บอกท่านบอกว่าหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าแล้วหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าท่ากราบพระพุทธเจ้าแล้ว ตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระปฏิบัตแก้วเหอสมเด็จอมภถมก็ส่งเทศว่าเจ้าผู้เจริญเจ้ายังไม่มีวิมานอยู่วรรานใช่ไหมจงผู้หญิงก็ตอบว่าใช่ทั้งนี้เพระเจ้ามีความประมาทมากเกินไปมีความเพลิดเพลินในความเป็นทิพย์ ถือตัวว่ามีบริวารมากมีวิมานใหญ่มีความสุขตั้งใจบูชาพระแต่การบูชาพระของเธอเป็นาการบูชาพระแต่ผิวเผินเป็นเข้าถึงนการเข้าถึงพระแบบผิวเผินไม่สด็จเช่งนักฉะนั้นจึงไม่มีวิมานยุรนิพพาน เธอจึงทบทวนเรื่องความเป็นจริงของเธอในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอมีบาปอะไรบ้างโยมก็ตอบว่ามีบาปหลายอย่าง <c oughs> ถ้ากถามว่าเธอรู้จักนรกไหมโยมผู้หญิงก็ตอบว่าไม่รู้จักเธอเชื่อไหมว่ามีนรกโยมก็ตอบว่าเชื่อ ถ้าอย่างนั้นเธอจงดูท่านตัดว่าอย่างนั้นนะท่าตัดว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงดูแล้ว ก, ก็ชี้มือลงเมืองต่ําเห็นนรกแดงฉานไปหมดมิทัานไหลขุมเนื้อขุมใหญ่ไปขุมขุมเล็กน้ำไปทุ่มลรวมแล้วสี่ร้อยขุมกว่าท่านบอกว่าบาปของเธอที่มีอยู่สะทาโคจะโคเถียงฟังบาปอย่างนี้ในเมื่อเธอจุติดเจอชั้นยามา จะพุ่งเหลาลงนรกขุมนี้เธอจึงดูการลงโทษการถูกเขาไฟจะมีอย่างนี้ตะเวลาไฟมันลุกโชษช่วงขึ้นเหล็กก็แดงฉานทั้งหอก ท, ทั้งดาบดาบก็ฝันหอกก็แทงค้อนก็ทุบเมื่อพ้นบาทชุดนี้แล้วต่อไปก็จะลงรงขุมที่สองไม่ใช่รับหนึ่งสองสามจะตามตาหดับนรกนะ เป็นขมที่สองที่ต้องลงเมื่อลงไปแล้วก็ต้องลงขมที่สามจากนั้นก็นมาขมที่สี่ขมที่ห้าลงหลายขมถ้าบอกที่เธอจงจําไว้ว่าถ้าเธอจุติการที่เจอเธอคือมาเกิดนางฟ้าวันเช่นยามาเนี่ยเขาอาศัยบุญเล็กน้อยที่ชอบการบูชาพระชอบให้ทานทรักษาศีลชอบเจริญภาวนา แต่กำลังใจของเธอไม่มีความจริงจังทำตามประเพณีซะส่วนมากเห้นผู้ใหญ่เขาทำก็ทำกันจิตใจมีความไม่หม่นคงนักพราใสาบุญเล็กน้อยบรรดาให้เธอมาเธอท้องืึ้นบุญก่อนบรรดาให้เธอมาเกิดวรสวรส์ชั้นยามาจงอย่าลืมว่าไหนอีกไม่ช้านักเธอก็จะหมดบุญ ใม้เมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องลงนรกเธอกลัวไหมจยงก็บอกว่ากลัวตอนนี้รูกสิวนาท่านาจะซีดๆผิวพรรณไม่เคยผ่องใสเดากลัวนรกองสมเด็จพรจอใจพระมศสเซอุัทผมองก์สนตะว่า ด, ดูก่อนญิงคูดเจริญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตถาคตจะแนะนำให้ตัดนรกดีไหมเอาไหม ถ้าปฏิบัติได้นับตรีไปเธอจะไม่ลงนรกจะไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องได้ต้องเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเป็นพมจะมานิพพานเลยความเป็นมนุษย์ถือก็เต็ไมไปด้วยความทุกข์ทรัพย์สินที่หา ม, มาได้มันก็ไม่ค่อยจะพอใช้ตัวเองนะั่นเหลือใช้แต่ลู ก, ลก บ้างเพื่นเพื่นบ้างใกล้เชียงบ้างมาช่วกันใช้เธอก็มีแต่ความหนอกใจความเป็นมนุษย์มีความแก่เป็นประ จ, จำเธอก็ไม่นึกถึงความแก่ความเป็นมนุษย์มีความป่วยเป็นประ จ, จำเธอก็ลืมนึกถึงความป่วยความเป็นมนุษย์ต้องมีการทัดทายจากของรักของชอบใจเป็นประ จ, จำทือพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตาย โลกตายหลานตายเห็นอยู่เสมอจะเคยเธอไม่เคยนึกว่าจะตายอาศัยที่เป็นคนประมาทในสมัยที่เป็นมนุษยมนน์มาเป็นนางฟ้าก็มาเป็นนางฟ้าประมาทเพลิดเพลินในที่ประสมบัติมากเกินไปมีวิมานหลังใหญ่มีบริวารมากมีความสุขไม่มีกายงาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรัจด้วความเป็นทิพย์มีความสุขมากเกินไปเยันลืมนึกถึงความตายจากความเป็นนางฟ้าเมื่อตายจากความเป็นนางฟ้ามัอะไรต้องลงนรกวันนั้นตอนนี้ไปสเสนาก็จะแนะนําว่าถ้าเธอปฏิบัติได้จะไม่ต้องลงนรกต่อไปบาป ท, ทั้งหมดจะไม่ให้ผลจะมีอย่างเดียวคือเข้าขอสู่พระนิพพาน ถ้าเธอตัดสินใจได้ตามนั้นวิมานจะปรากฏบนนิพพานหลังจากนั้นทั้งกองเทสห้าข้อที่หนึ่งทั้งจงทั้งจ ง, ง, ง, ง, งคิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงการเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมจะมิไม่มีอายุอยู่ตลอการตลอดสมัย จากวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายคือ <c oughs> ท, ที่เรียกว่าจุดติศัพท์ชาวบ้าน เ, าเรียกว่าตายเธอเข้าใจไหมแน่ใจไหมว่าต้องจุดติโยมก็ต่อวันแน่ใจเจ้าค่ะก็จุดติแน่แต่ไม่รู้เวลาเอามาถ้าบอกใช้ได้ให้มั่นใจว่าจะหนึ่งหรือวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องจุดติ ที่มันหลังที่เธออยู่บริวารทั้งหมดจะหายไปสมบัติปัจจุบันจะไม่มีสำหรับเธออีกเหมือนกับสมัยที่เป็นมนุษย์สมัยที่เป็นมนุษย์เธอสะสมทรัพย์สมบัติไว่มากแต่ว่าเธอตายจากความเป็นมนุษย์แล้วคนอื่นเข้ามาปกครองเวลานี้สมบัติเป็นชิ้นเป็นทอดเป็นตอนจากชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กบางชิ้นก็ถูกขายไปบ้าง เธอก็ไม่สามารถจะห้ามปรงเขาได้เธอเนหนื่อยมากชั้นใดเพราะทรัพย์สมบัติแต่ทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเธอไม่สามารถจะปกครองจะระวังได้จะรักษาได้ข้อนี้ชั้นใดขอเธอจงนึกว่าสักวปันหนึ่งข้างหน้าวิมานที่สดสวยงามของเธอปฏิวัของเธอร่างกายเป็นที่ของเธอจะสลายตัวได้คือตายโยมบอกท่านถามว่า นึกออกไหม้จะมีความมั่นใจไหมยังก็ตอบว่ามีความมั่นใจเจ้าค่ะคราวนี้แม่มั่นใจแล้วว่าจะต้องจุดติเพราะเทวดานางฟ้าผูเคยจุดติเห็นอยู่เสมอท่านก็ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องจุดติเวลานี้คิดแล้วเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอมั่นใจหรือท่านก็ตอบว่ามั่นใจเจ้าค่ะ ตอนนี้ไปเธอจึงกลัดใจเช่นใหม่การบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่เธอทําอยู่เป็นของดีแต่ว่าความมั่นคงยังมีน้อยยังมีความเคารพตามแบบฉบับเป็นประเพณีนิยมหลังจากนี้ไปจงตัดถึงตัดกำลังใจเพื่เราจะมีความรักในพระเจ้าอย่างยิ่ง เครบแต่ก็ทําทอย่างยิงาา่งเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างยิง่งหมายความจิตเราจะไม่ปล่อยพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยว่าทาไม่ปล่อยพระอริยสงฆ์จิตเจ็ด จ, ด, จดจอดอยู่ที่พระพุทธเจ้าว่าทาพระอริยสงฆ์ตามปกติท่านถามว่าเธอทาได้ไหมโยมก็ตอบว่าทาได้แล้วเจ้าค่ะเวลานี้มีความมั่นใจว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า ต่อหน้าพระปิจิวัตเจ้าต่อหน้าพระอริยสงฆ์และต่อหน้าเทวดาทุกทั้งหมดทุกอย่างมีความมั่นใจหมดพระเจ้าก็ถามว่าเธอต้องการมานิพพานไหมท่านกระถาว่าต้องการอย่างยิ่งเจ้าค่ะที่แรกไม่เคยรู้เลยว่านิพพานมีอยู่ท่านก็ถามว่าลูกชายของเธอพาเทวดานางฟ้าผมมาอยู่เสมอทําไมยึงไม่ตามมา ไม่อยากจะไปไหนมีความสุขกับพิมารมีความสุขการบูชาพระเวลาบูชาพระแล้วไม่อยากเลิกนั่งอยู่ข้างหน้าพระถ้าบอกว่าที่หลังเอาใหม่นั่นเป็นกายนั่งตอนนี้ต้องเอาใจนั่งไว้ที่พระกายก็นั่งจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้แต่ใจนั่งไว้ที่พระ ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงพระธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ไว้เป็นนิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนเธอทําได้ไหมโยก็ตอบว่ามั่นใจแล้วเจ้าค่ะต่อไปท่านก็บอกว่าสินห้าเธอสามารถรักษาได้ไหมโยก็กลับนึกถึงว่าความเป็นมนุษย์ ว่าสินห้าบางิกขาบทบกล้องเจ้าค่ะสมเด็จอมปรถมจึงตรัสว่านี่เธอฉันถามในฐานะที่เธอเป็นนางฟ้านะไม่ได้ถามเึื่องในความเป็นมนุษย์เวลานี้ความเป็นมนุษย์หมดไปแล้วไอเรื่องบาปประเภทนั้นไม่ต้องคิดถึงมันเวลานี้เราไม่มีบาปจะทำมีทำอย่างเดียวคือบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าดานางฟ้าชั้นยามาได้เปรียกบกว่าชั้นอื่นนอกจากชั้นฤาิีนั่งบำเพ็ญบุญบำเพ็กุศลต่อเวลาถ้าท่านถามว่าเธอมีความมั่นใจไหมว่าจะรักษาสิน้าได้ครบโยมก็นิ่งถ้าบอกมึงปานาทีบาการไม่ฆ่าสัตว์เธอทำได้ไหม ยอมนิ่งประเดี๋ยวต่ว่าได้เจ้าค่ะสองอาทนาทานการไม่รักทรัพย์ทำได้ไหมเธอก็ตอบทอยงก็ตอบว่าทำได้เจ้าค่ะสามกามเมสมิช้าจา์เธอจะไม่ระเว้นความรักของคนอื่นทำได้ไหมก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะสี่มุสาวาทจะไม่ก่าเทจทำได้ไหมท่านก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะห้าสุราและเมรัยเราจะไม่ดื่ม ทำได้ไหมเมต่าทำได้เย้าค่ะแต่เฉพาะอย่างยิ่งสุราเรมีไรการบนันนันในสมัยที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ทำอยู่แล้วองค์มสมเด็จพระบทพเจ้าก็บอกว่าความจริงการเป็นเทวดานางฟ้าได้ผมการมีชินห้านะมันปกติอยู่แล้วการฆ่าสัตว์ไม่มีสัตว์จะฆ่าการขาโมยทรัพย์ไม่มีความขมขื่เป็นจะขโมย ถ้ามันไม่ใช่สรัพย์สินของเราเราเอาอมาไม่ได้เพราะที่นี่มีแต่ความเป็นทิพย์ความรักแต่ระหว่างเพศก็ไม่มีไม่มีการยุ่งการผู้บริาวาก็ไม่มีไม่มีความจำเป็นการดั่งสุราเมรัยก็ไม่มีไม่มีจะดิมก็รงความการเป็นเทวดาเป็นนางพ้าเป็นพรมมีสินบริสุทธิ์อยู่แล้วตอนนี้ไปเธอยังตัดใจ ทำลายอวิชชาคือความโง่เธอนึกถึงนึกว่ามนุษย์โลกดีก็ไม่ดีโยมก็ตอบว่าไม่ดีเ้ยค่ะท่านถามว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเกิดแล้วแก่สามีการงานสามีการป่วยสี่มีการพัฒนาจาของรักของทักใจ5้ามีความปราสนาไม่สมหวังหกต้องตาย ตายแล้วก็ไม่สามารถจะนาําทรัพย์สมบัติที่หามาได้ติดตัวไปได้ถ้ามีความเป็นมนุษย์ก็วนเวียนในกายงานมีความเหน็ดเหนือยอยู่เสมอเหนื่อทั้งกายเหนทั้งใจถ้าบอกก็ถูกแล้วเธอต้องการเป็นมนุษย์อีกไหมจะณจงบอกไม่ต้องการเดยคะการเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมจะต้องจุดติเธอต้องการอีกไหม เจ้าก็ตอบว่าไม่ต้องการเจ้าค่ะถ้าการมาอยู่ที่นิพพานนี้ไม่มีการไปไหนไม่ต้องจุดติไี่ไมีไม่มีการป่วยไม่มีกิจการาน ใ, นใดๆอะไรก็ตามถ้ามันเป็นความเหมาะสมมันจะปรากฏขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องจับโดยที่เราไม่ต้องนึกเธอต้องการไหมถ้าต้องการเจ้าค่ะนี่ท่านก็พว่าเธอนั่งนิ่งฟกซ์เดียวแล้วตัดสินใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะทําได้ไหม เจ้าก็นั่งนิ่งนึ่ง thở อใจหนึ่งก็ลือนตาขึ้นมาบ อ, อกตัดสินใจได้แล้วเจ้าข้าพร้อมแล้วที่จะมานิพพานร่างกายทําในความเปนทิพะจตุติเมรัยนั้นไม่เสียดายจะมานิพพานท่าเดียวขออย่างเดียวคือมานิพพานพระพุทธเจา้าแต่บอกก็จบแค่นี้พระบอกว่าจบแค่ น, นี้มายก็ปรากฏ ท, ทันทีท่านชี้ให้ดูให้ได้ผ้ามือของท่านดันทันหน้าไปทางทิศใต้ อานนมีไม้ของเธอปรากฏแล้วสวยสดงดงามอย่างยิ่งฉันหลานหญิงทื่พรทิพตกบโพงทิพตพายาพายาไปชมวมมานที่ท่านก็บอกว่ายังไม่ไปเย้าค่ะถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่นี่ยังไม่ขอลุกไปก่อนอันดับรรดาท่านพุทธบริษัตว์นห้ายเวลามันหมดพอดี ก็เปว่าหลังจากนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เด็จกลับเทวดานางฟ้าระดมน้ำหมดต่างโค้งคต่งางก็มาลาแยกย้ายไปสู่ิมัยของตอนนันไม่ผานแต่ว่าที่ยังไม่มีนิมายก็ยังมีอยู่ก็กลับที่เดิมที่ยังไม่มีก็บอกว่าตั้งใจจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่พระเจ้าสอนเมื่อกี้นี้เป็นของไม่ยากต้องพยายามจะมีวิมากให้ได้อรรับบนาน์นาหลายหมดเวลาแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมมูรณ์ผลผลจงมีเดี๋ยวจรบบดาจันพุทธศารนุกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี